สวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมธนแพทย์นัทพงศ์กนกวิรุณดําเนินรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์เผยแพร่ทาง w w w ร์ไวย์เ m สโดดวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพรูลอะพิปุนโนแห่งวัดป่าดอนไหายโศกจังหวัดกุฎดอนธานีกราบน้มัสการท่านครับเจริญพรทางพอดแคสต์ อ, Podcast ออนไลน์ที่เรากําลังทําอยู่นี้ก็คือเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิด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 ไปสามมรรคแล้วก็คือสมาธิฐิสัมมาสังกัปมะสัมมาวจนาะนะครับจบไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ขออนุญาตขึ้นเป็นสัมมากรรมตะนะครับ อ, อสัมมากรรมตะต้องเน้นย้ํากับท่านผู้ฟังออนไลน์นิดหนึ่งว่าเรื่องของมรรคเนี่ยมันคือต้องรวมกันหมดนะคืออันใดอันหนึ่งเราหยิบอันใดอันหนึ่งขึ้นมาก็ชื่อว่าทุกอันเนี่ยมาพร้อมกันนะเพราะฉะนั้น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 ก็หมายความว่าเขาจะผิดมิจฉาวาจาสามข้อหลังใช่ครับคือเรื่องความสอดเสียเรื่องของการพูดยุยงให้แตกันอ๋อนิดหนึ่งคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาตมาใช้คําว่าพูดใช้คําว่าพูดสอดเสียดเนี่ยภาษาอีสานเนี่ยใช้ภาษาอีสานเขาใช้คําว่าพูดสับสอนพูดสับสออ่าพูดสับสอภาษาอีสานแปลว่าพูดสอดเสียดออทีนี้คนที่พูดสับสอพูดเพอเจอพูดคําหยาบเนี่ย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 ใช่ความคมชัดของพระองค์ก็จะมีในลักษณะนี้แล้วก็สัมมาเกตันตาเนี่ยบางท่านก็ยังจะรวมถึงการที่หน้าที่ของเรานะในด้านต่างๆคื อ, อคนเราเป็นค า, ารวาสก็ตามเป็นพระสงฆ์อยู่ในอาชีพไหนๆก็แล้วแต่เถอะคุณก็ต้องมีการเกี่ยวข้องกับด้วยบุคคลถูกไหมเพราะนการเกี่ยวข้องกับด้วยบุคคลในด้านมุมมองต่า ง, างๆเนี่ย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 มา ร, รวมไว้อยู่ในเรื่องของสัมมารกรรมันตะด้วยก็คือการประพฤติตนที่ชอบอท่านบู้ที่ทเคยให้ความเห็นว่าทำไมเรื่องของสัมมารกรรมันต์สัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ของมรรคอื่นถ้าท่านที่ฟังรายการพระออนไลน์อยู่เนี่ยมีความเห็นว่ายังไงให้ส่งมาแตนะ่เพราะว่าอาจามาคิดว่าคนที่มาฟังออนไลน์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษานี่ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทแล้วนะ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 เป็นขั้นพื้นฐานสิ่งก็คือความไม่เบียดเบียนกันนะครับความเป็นปกติในการดำเนิชีวิตทั้งคารวะและก็อริสุทธิ์ก็ก็จริงๆก็เหมือนกับว่า ม, มันก็คือคือความปกตินี่แหละก็คือตัวครับทีนี้ตรงตรงนี้จะผ่านไปได้ไหมครับท่านเรื่องของการสมรกูมิตาเนี่ยครับผมถามว่ามันไปเกี่ยวข้องกับมรรคองค์อื่นอย่างไร ก็จะอธิบายให้ฟังตรงนี้เลยว่าความรู้ที่เธอมารู้ว่าอันนี้คือมิจฉากรรมมันตะอันนี้คือสัมมารกรมันตะเนี่ยความรู้เนี่ยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิตรงนี้เกิดขึ้นแล้วนะถ้าเธอรู้ว่าอันไหนดีอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทําแล้วก็ความเพียรที่เธอเอามาตั้งไว้ในการทําสัมมารกรมันตะให้ถึงพร้อมในการละมิจฉากรรมมันตะความเพียร น, นั้นเนี่ยก็คือสัมมาวายามะคือความพียรช อินชอบใช่ ส, <ะ>ส่วนสตินะในการที่เราจะอาจจะฆ่าสัตว์โอ๊ยไม่ฆ่ามีสติระลึกไว้อาจจะรักสัตว์โอ๊ยไม่รักก็มีสติระลึกไว้สติ อ, อย่างี้เป็นสมาสติส<ะ>อา่าแล้วก็ความอ่อพามมาอย่างนะคือเรื่องอของสมาทิฏิสัมม า, า, มมาวาจาสัมมารกรรมตาสัมมาวายามะ แล้วก็สัมมาสติใช่สามอย่างเนี่ยอ่อ ส, สอย่างทั้งหมดสี่อย่างเนี่ยจะมาพร้อมในเรื่องของสัมมากรรม <canyon S 1> ัมมันตะอ่ะอืมอ่ะเพราะถ้าคุณทําสัมมากัมมันตะอย่างเดียวสัมมาวาจายอย่างเดียวเนี่ยได้ถึงสี่อย่างพร้อมกันเลยนะอ่ะเรียก ว, ว่ามัคองค์อื่นก็เจริญขึ้นพร้อมๆกันนะครับก็คือมัคอีกสองค์ที่เหลือก็จะเจริญขึ้นไปพร้อมๆกันอ่ะ ก, ก, ก็ยังจะขาดเรื่องของนําริชอบเรื่องของ สมาที่ชอบเรื่องของอย่างนี้อยู่อ่ะนี้ก็คือเรื่องของสมากรรมตะล่ะคิดว่าก็มีเท่านี้ไม่มีเท่านี้อืออ่ะอีนี้ก็อย่างนี้ก็ต่อมั่นคงต่อไปก็คือสัมมาอาชีวะนะครับสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบใช่ไหมครับการเลี้ยงชีพชอบในบทเพลงชนะที่เกี่ยวกับสัมมาอาชีวะในเรื่องของมั่วแปดเนี่ยบอกแค่นี้เองบอกว่า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 เพราะพระองค์เองเนี่ยก็จะพูดไว้ที่นู่นที่นี่บ้างอย่างเงี้ยนะก็อย่างที่หมอรัตพงศ์เก็บประเด็นนี้ได้ว่า อ, อาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงห้า อ, อย่างก็มีเรื่องของการค้าน้ําเมาใช่ไหมการใช้ยาพิษการค้ามนุษย์การค้าอาวุธอันออนี้นะเป็นอาชีพที่ไม่ควรทำและอีกอันหนี้ครับอห้าอย่างน้ําเมายาพิษยาพิอาวุธค้ามนุษย์อืมีห้า อีกท่านหนึงอะไนะครับท่านคืออันนี้ท่านท่านตรามันละสีอันนี้พร<น>ะพุทธเจ้าพูดไว้ในเรื่องของบทเพียรชนะนะคือการค <นะ S 1> ้าขาย5้าอย่างที่ไม่ควรทําน ะ, นะาอาชีพที่ชาวพุทธคือพูดถึงการค้าขายเท่านั้นเองอย่างแรกคือการค้าขายอาวุธอย่างที่3 <นะ S 2> คือการค้าขายเนื้อสัตว์อย่างที่3า <นะ S 2> คือการค้าขายตัวสัตว์อย่างที่4คือการค้าขายน้ําเมาอย่างที่5คือการค้าขายยาพิษนะอาชีพที่ชาวพุทธเนี่ย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 ไม่ใช่ว่าห้ามเลยอือครับคือถ้าถ้ามีงานอะไรพวกการที่จะหลีกเี่ยงจากอาชีพเราทอนความเป็นอกุศลอย่างนี้ไหมครับท่านเป็นมุมมองอย่างนี้ได้ไหมครับเ อ, อ่อใช่ <gelir. S 1> เพราะว่าเวลาที่ทําอาชีพพวกนี้มากๆมั TP นก็มีการเบียดเบียนน ะ, นะครั บ, รบเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็ดีครับครับเช่น ถ, ถ้าสมมุติฆ่าสัตว์บ่อ <elet> ยอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ก็บอกว่าการฆ่าสัตว์บ่อยจะจะก่อให้เกิดอันนี้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 เมื่อพรเจ้าจึงแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะไม่ได้ทําเป็นประจําครับเพราะฉะนั้นอาชีพห้าอย่างนี้แหละการค้าขายห้าอย่างนะที่ควรหลีกเลี่ยงอใช้ประเพ็นชนะอย่างนี้ส่วนอีกในายานหนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องของมิจฉาอาชีวะพวระเาเคยตรัสเรื่องของมิจฉาอาชีวะทีะ่เกี่ยวข้องกันบอกว่าการกระทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย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 ขายรถยนต์อ้าคุณเป็นนักขายรถยนต์นะแล้วก็แต่คุณล่อลาบด้วยลาบพูดท้ายให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงถ้ามีการกระทาอย่างนี้นะการค้าขายของคุณในครั้งนั้นเนี่ยอาชีพของคุณณเวลานั้นเนี่ยเป็นมิจฉาอาชีวะทันทีอาชีวะค ร, ครับครับเพระเาะฉะนั้นก็แค่ว่าทําให้ถูกต้องตามหลักของธรรมะในหมวดอื่นๆคือไม่พูดโกหกไม่ต่อราบด้วยลาบไม่เอาขอมีค่าน้อยต่อขอมีค่ามากอย่างนี้นะ ค, ครับก็ถือว่าอาทำอาชีพอะไรก็ได้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 ท่านพุทธาจะเอาเรื่องของทิศทั้งหมารวมในหมวดของสมาอาชีวะด้วยอ๋อทิศหกทิศทั้งหนี่ก็คือว่าหน้าที่ที่เราต้องทําต้องกระทําร่วมกันกับบุคคลเหล่าอื่นอย่างเงี้ยนะคือทิศเบื้องหน้าเนี่ยคือมารดาบิดาทิศเบื้องขวาก็คือครูอาจารย์ะนะทิศเบื้องซ้ายก็คือมิสหายทิศเบื้องหลังคือบุตรภรยายเบื้องบนเนี่ยคือ สมณพาหมณ์เบื้องลา่างนี่เป็นท่าทากรรมกรผู้รับใช้ครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องทีท่ตั้งหกอ่าซึ่งอาตมาคิดว่าในความเห็นส่วนตัวนะั้นน่าจะไปอยู่ในหมวดของสมารกรรมันตามากกว่าคือการากระ ท, ทําที่ที่ถูกต้องเรื่องของออที่ตั้งหกยังไงก็ตามเรื่องทีท่ตั้งหกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำละครับครับอือครับกับบุคคลที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมด ใช่ครับก็คือในในชีวิตประจำวันของคนเราอ่ะมันก็เกี่ยวข้องกับบุคคลแค่6แบบนี้เท่านั้นเองนะเนาะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนหน้าที่ระบบของที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาก็จะอยู่ในเรื่องของตรงนี้ครับครับในเรื่องของสัมมาอาชีวะเนี่ยที่ท่านปุิธาตเอาเรื่องของที่ทั้ง6มารวมไว้ด้วยคือคำว่าอาชีวะเนี่ยแปลว่าการดารงชีพชอบ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 เราควรต้องทำหน้าที่กับเขาเนี่ยคือด้วยการให้ปันมีอะไรก็แบ่งปันไปไปต่างประเทศมาก็ซื้อนี่มาฝากแล่นมาฝากอย่างนี้นะนี่นนอันที่หนอันที่2ก็คือด้วยการพูดจาไพเรา ะ, ะปิยวาจาอย่างนี้พูจาใช่ครับพูดจาดีดกันไม่ว่ากาันไม่ด่ากาันมีอะไรก็แบ่งปันกันอีกสองอย่างแรกอางที่3มเนี่ยด้วยการประพฤติประโยชน์นาการประพฤติประโยชน์ก็คือการทําประโยชน์ให้แก่กันและกันนะ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 ว่าจะสับสนนั่นเองว่าจะสอดเสียดอะไรที่พูดไปแล้วเนี่ยเขาจะกระเทือนใจเขาจะไม่ชอบเราเนี่ยเราก็อยากพูดข้อธํามอันนี้คล้ายค้าหมดธํามันนี้คล้ายคล้ายกับสังขารวัตถุสี่ไหมครับท่านคล้ายๆเลยนะครับใช่สังขารวัตถุคี่ปีครับษอัคคาเจ สติยาสมาณะตาใช่ใช่ถูกต้องการสงเคราะห์กัน4ี่อย่างครับครับนั้นในเรื่องของสังขาวัตถุสี่เนี่ยที่มอระพงชี้ประเด็นนี้มานี่ถูกต้องเลยก็คือคว่าสงเคราะห์เพื่อนด้วย4อย่างนี้ ค, คิดดูนะถ้าถ้าสมมุติว่าเพื่อนเราเนี่ย เ, เขาเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาพากั บ, รบเราเนี่ย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 ผู้ประมาทแล้วอันที่3ก็คือเป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัยอันที่4ก็คือไม่ทอดทิ้งไม่ทอดทิ้งยามีอันตรายในเวลาที่เขามีอันตรายมีที่มีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยอกตุต้กได้ยาใช่ใชแล้วก็อันที่5นี่ก็นับถือสมาชิกในวงของมิตรก็คือ พ่อเขาแม่เขาพี่น้องภรรยายญาติลูกอะไรต่างๆแล้วก็นับถือกันนะเหมือนกับญาติครารญาตกันอย่างนี้ะจะเป็นการตอบแทนที่ดีนะใครก็ตามเนี่ยที่มีความสัมพันธ์กันในระดับนี้แล้วเนี่ยเขาทำให้เรา5ห้อย่างนี้เราทําตอบเขา5อย่างนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าทิศนั้นเนี่ยบุคคล น, นั้นเนี่ยเราปิดกันแล้วเป็นที่ที่ไม่มีภยัยเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนดีแน่นอนไม่ใช่เพื่อนที่จะมาก่อภัยก่อเวรให้เราได้นั้นะ เราควรจะหาเพื่อนแบบนี้นะให้มากๆมากค่ะหายากนะครับท่านในปัจจุบันก็พ่อหาได้อยู่นะคนที่ไม่เป็นอย่างนี้เราก็ใช้เวลากับเขาน้อยหน่อยคนที่เป็นอย่างนี้เราก็ใช้เวลากับเขามากหน่อยอย่างน้อยพระเจ้าประสงค์เนี่ยก็เป็นมิตรที่ดีได้อื๋อใช่ครับครับเราเราเชื่อมโยงถึงคําว่าการยานมิตรนะครับท่านการยานมิตรก็จะเป็น เพื่อนที่ดีงามนะเป็นมิตรที่ดีงามบุรีชาติก็เคยพูดถึงลักษณะของมิตรที่ดีงามไว้โอ้อยู่หลายอย่างมากซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาพูดเป็นเป็นครึ่งชั่วโมงเลยจะมาว่ า, เ, าเรื่องของมิตรนะคุณสมบัติ6อย่างแต่และอย่างเป็นยัางไงามิตรแบบนี้จะแก้ยังไงโอ้โหบรีชาต์พูดละเอียดมากดูลักษณะของมิตรที่ดีมิตรที่ชั่วดูยังไงสอย่า ง, งายอย่า ง, างละสี่แบบเป็นอย่างไรแตกรูปไปได้อีกมากเลยตรงนี้ ครับอันนี้เดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปดีไหมครับในใส่วนของกัลยาณมิตรอันนี้เดี๋ยวเราก็จะค่อยเอามานําเสนอในอีพิโซดต่อๆไปเนาะของเปียร์ธรรมะเพาอ อ, ออนไลน์เท่านั้นเองอมีเวลามากหน่อยออในอีกหรืออีกประมาณสิบนาทีสุดท้ายของการเปิดธรรมตรงนี้คิดว่าก็เอาคําถามที่มีในช่วงสตาร์ทอีวันมามาคุยกันก่อนก็ได้เรื่องของสมาอาชีวะก็คิดว่ามีเท่านี้แหละเรื่องของสมมาอาชีวะ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 ก็คือการทําลมหายใจเนี่ยให้เบาลงเห็นอยู่เล็กนิดเดียวบางกันเถอะเวลาเราสังเกตลมหายใจอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ยนะแล้วจุดที่สังเกตเนี่ยมันเล็กลงเห็นลมเบาลงน้อยลงเนี่ยอันนี้ชื่อว่าทาการปรุงแต่งทางกายให้ระงรับละ อ, อันนี้ก็เป็นนัยยะที่หนนะหรือนัยยะที่2ก็คือตัวเราเนี่ยร่างกายนี่แหละนะไม่พลิกมากไม่ กระดุกกระดิกไม่เดี๋ยวคันตรงนู้นคันตรงนี้นี่การปรุงแต่งทางกายอย่างนี้ก็ได้กายตรงนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงลมก็ได้นะกายหนึ่งในการทั้งหลายกายที่เป็นดินบกายที่เป็นดินก็มีนะแขนขานี่เป็นดินหมดเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งทางดินตรงนี้เราก็ไม่กาวไม่ขยับไม่อะไรก็เรียกว่ากายระงับได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะมี2อสามนัยยะนั่นแหละทีนี้เราก็เอานัยยะที่พระพุทธเตรัสเอาไว้ก็แล้วกันคือเรื่องของลมหายใจ น, นี่ถามว่าพอการทำกายให้ระงับแล้วเนี่ยเป็นยังไงมีอีกที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่ากายระงับไว้ในเรื่องของการเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าในในหนังสืออริยสัจพระโอษฐภาคต้นก็มีอยู่หน้าประมาณกรอพระพุทธเจ้าพูดถึงการเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าว่าพระอริยเจ้าเนี่ยมีการเป็นอยู่ทั้งหมด1ิอย่างหนึ่งในอย่างนั้นเนี่ยคือเป็นผู้มีกายระงับ แล้วอธิบายอาการของผู้มีไการะงับเนี่ยว่าเป็นผู้มีชั้นสี่ชั้น4ี่อ๋อันสถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ามีชั้นสี่แล้วเนี่ยโดยบทเพญชนะที่พูถึงไกระงับเนี่ยก็คือการอยู่ในชั้น4ี่ากันเถอะทีนี้ที่ชั้นสี่ก็คือจริงๆผู้ที่เข้าอยู่ชั้นสีคือจัจะไม่รู้ภาษาศาสตร์ภาาศาสตร์คือไม่รู้จับไม่ไม่รู้ว่ามีลมเข้าออกจับความรู้สึกไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่จับความรู้สึกไม่ได้จะเบาลงมากๆ เอาเลงหน้าจะเหลืออยู่แต่สติอย่างเดียวลมหายใจนี่แทบจะดับไปเลยแต่เบามากเรียกว่าแทบจะดับไปเลยละเอียดรายละเอียดใช่ใช่แต่ยังมีการสีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ดูแหล่งแง่มุมว่าหนึ่งกายคือลมเพราะฉะนั้นกายสงบระงับก็คือลมเบาลงอันนี้ได้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนะบทเพียรชนะพูดถึงเรื่องการเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้า เคยพูดว่ากายระงับเนี่ยคือชั้นสี่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันและซึ่งก็จะสอดคล้องกันเพราะว่าชั้นที่สี่เนี่ยอาศาสระภาษาสระเนี่ยจะเบาบางลงดับลงไปเลยอย่างนี้คครรัับบอืแล้วมีคําถามที่สองครับท่านว่าเราเป็นผู้ตามเหตุซึ่งความสลัดคืนนะครับความสลัดคืนหมายความว่าอย่างไรครับความสลัดคืนก็คือความปลาอยวานนั่นแหละครับอ่าตรงเนี้ย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 พระเคยตัสว่ามีความวิเวกมีความวิราคะมีนิโรธอันน้อมไปเพื่อโภสะทะถ้าเรามีวิเวกวิเวกคือความที่ไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนใช่มมีวิราคะคือความจางคลายมีนิโรธคือความดับมีมีความวิเวกมีความจางคลายมีความดับทำสามอย่างนี้มากๆจะเห็นโภสัะทะคือความปล่อยวางได้ความสลัดคืนได้ เพราะว่าถ้าเห็นสามอย่างแรกเนี่ยคือวิเวกวิราคะนิโรธเห็นความวิเวกเห็นความจางคายเห็นความดับเห็นความวิเวกเห็นความจางคายเห็นความดับอันนี้เป็นคนมีปัญญาแล้วนะเห็นตามที่เป็นจริงแล้วม่สามารถที่จะจี๋ไหมครับท่านที่เห็นความเกิดดับใช่เห็นความความจางคายความดับใช่แยกกันใช่ไหมครับถูกต้องก็พอเห็นความดับเห็นความจางแคลางความดับเห็นบ่อยๆเนี่ยคุณมีปัญญาเกิดเรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริง คนเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยก็จะปล่อยวางได้สลัดคืนได้ไม่เอาแล้วอย่างนี้ได้<ะ>ครับรความสลัดก็ชัดเจนนะครับท่านท่านผู้ฟังนะชัดเจนก็มีสองคำถามจากคุณมณีเน่นะครั บ, รบทีนี้ว่าวันนี้คิดว่าในเรื่องของสา ม, มาสา ม, มาสั ม, มาสามมาัมมันตสามตาอชีวะที่เราพูดไป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 นะเอาพุทธวจนะมาถามเนี่ยให้ใส่เข้ามาที่ www. p นะิเอลธรร m ะคอมครับนะแล้วเราก็จะม า, าเราก็จะระบุให้เลยถึงหมวดไหนทําไหนที่เกี่ยวข้องกันอย่างนี้ทั้งอรรมาทั้งหมอรัตพงษ์เนี่ยก็จะทําการบ้านมาเพื่อที่จะเปิดทางตรงนี้กันครับนะนะไปิดาที่ถูกติดข้าปไหลครับนะเพราะฉะนั้นก็ในเอพิซอดต่อไปคือเอพิซอดที่6นะเราก็จะมาต่อเรื่องของมรรคในองค์ต่อๆไปนะ สามมาสติและก็สัมมาสมาธิที่ยั ง, ยงเหลืออยู่ค่ะแล้วสัมมาวามะเป็นองด้วยอ่าสมาวายามะยด้วยแล้วก็จะได้ตอบคําถามถ้ามีคําถามที่มาทางเว็บไซต์เพี a รธรรมะ .com ครัเพราะนั้นวันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะในเปิดทําที่ถูกปิดภาคออนไลน์ครับครับกรับน้อสการ์และก็กลับสวัสดีท่านทุกท่านครับท่านปาน